ธรรมะจากพระผู้รู้ตอนที่21โดยพระปราโมทปาโมทโชถามอยากทราบหลักการของวิปัสสนาครับ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 ลูกไม่เชื่อหรอกฉะนั้นอย่างถ้าเราห่วงคนใกล้ตัวคนใกล้ตัวนี้เราต้องมีความสุขให้เขาเห็นให้ได้ต้องดีให้เขาเห็นเขาถึงจะคล้อยตา ม, ามบทควา ม, จ า, มจา ก, จากมิทยาสารธรรมะใกล้ตัวฉบับที่21 <ล>อ่านโดยโจโฉหรืออนุสอน ตรีโสภา